อันนี้เปรี้ยวน้อยกว่าอั น, นสีเขียวเปรี้ยวมากกว่าไม่แล้วมันเปรี้ยวไม่เหมือนกันเนะอันนี้เปรี้ยวเปรี้ยวเปียวน้อยน้อยมันเปรี้ยวลายกว่า เข้ามาท่าไหล่แเลยอ๋อตอนนี้เพิ่งร้อยร้อยห้าสิดกว่าแล้ว้ยหกสิบ YouTube ยังไม่เข้ามาเลยหก <6 S 1> <6 S 2> คนหกคนนี้ก็มีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวันนี้นับคนได้เก้าคนทีมงานสองคนทีมงานสามคน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 พวเราสบายใจหรือไม่สบายใจก็อยู่ที่ใจถ้าใจต้องการมากก็วุ่นวายมากถ้าต้องการน้อยก็วุ่นวายน้อยถ้าไม่ต้องการเลยก็ไม่วุ่นวายเลยทุกวันนี้ที่วุ่นวายกันเพราะความต้องการกัน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 ความจริงแนละ้วไม่มีอะไรเลยกับสบายกว่ากับไม่รู้กันกับอยากจะมีกันไม่มีเหม็นเดือดร้อนเลยไม่มีลาบไม่มียศเอ็ไหมพระพุทธเจ้าท่านไม่มีเงินทองใช้เลยแม่ตาหนึ่งท่านก็ไม่มียศไม่มีอะไรไม่มีตำแหน่งอะไร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 อยู่แล้วจะมีความสุขวันเช้านี้หลานชายมาใส่บาทใส่ครับพระอาจารย์ใส่กับกายายเข้าหรือยายเขายายเขาครับพระาจารย์ยายเขาคือผมบอกเขาว่าน่าจะมาใส่บาทบ้างหรืออะไรเงี้ยก็บอกเขาตื่นไม่ไหวจริงๆเลยเงี้ยครับอบอกเขาต้องหัดบังคับตัวเองถ้าทาได้ก็ถือว่าเก่งอ่ก็ดีเมือ่อเช้านี้ก็มาได้ยายก็สอนให้ใส่บาทอายุเท่าไหร่ละ สิบเจ็ดแล้วครับอาจารยเป็นออทิสติกอ่ะเนอะไม่ไม่แน่ใจครับอาจารย์ huh. แต่เขาก็เก่งในหลายๆเรื่องนะครับ uh huh. เหมือนว่าเขาเรียนรู้เองอะไรอยงนครับ uh huh. เรียนรู้เองแล้วก็ถ้าตอนเด็กๆนี่จะเก่งภาษาอังกฤ ษ, า ษ, า ษ, าษามากออื uh huh. แต่ตอนนี้เขาว่าไปเขาทางด้านดนตรีแต่ว่ามาทางธรรมะเยอะแล้วก็ับเป็น uh huh. <laughs> เป็นลูกของเพื่อนนะครับ uh huh. เขาบอกเขาว่าถ้าเกิดเราทําได้เราก็จะได้ขึ้นใหมก่กรนะดับแม้จากที่เรา คิดว่าเราทำไม่ได้ลองทำดูดิมันยากแต่ว่าถ้าทำได้ลนะลองทุกอย่างถ้าคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้ถ้าแล้วมีความอยากมีฉันทะมีความอยากความยินดนะีก็ศึกษาวิธีทอว่าเขาทากันอย่างไรเราก็ทำตามเข า, นะเอาอย่างเด็กที่เกิดในประเทศที่เขาเจรนะิญเนี่ย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 เด็กก็จเจริญเด็กก็เก่งใช่ไหมถ้าไปอยู่ที่ประเทศที่ไม่มีการสอนมันก็ไม่มีการจเจริญน น, นการอยู่กับบุคคลนี่สาคัญอยู่กับคนเก่งเราก็เก่งตามไปได้วไงอยู่กับคนไม่เก่งเราก็ไม่เก่งตามเข้าไป พระลาหุนี่เป็นลูกพระพุทธเจ้านะพออายุเจ็ดขวบบ้างหกขวบเจ็ดขวบก็ไปบวชอยู่กับพระพุทธเจ้านะบวชไปไม่นานก็บรรลุเป็นพระลาหน์ได้ถ้าไม่ได้อยู่กับพุทธเจ้าไม่มีวันที่จะบรรลุเป็นพระลาหน์ได้เนี่ยมันอยู่กับคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากใครที่อยู่ใกล้พระลาหน์เนี่ย อยู่กับพระหลานนี่ก็ได้เป็นพระหลานกันนใครไปศึกษากับหลวงปู่มั่นเนี่ยพระที่ไปศึกษาไปปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่มั่นเนี่ยก็เป็นพระหลานกันขึ้นมาเยบุคคลที่เราอยู่ด้วยนี่มีมีอิทธิพลมากต่อชีวิตของพวกเราพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เลือกคนให้ ให้คบคนฉลาดคนเก่งอยู่กับคนฉลาดอยู่กับคนเก่งอย่าไปอยู่กับคนง่อคนไม่เก่งถ้าไปอยู่กับคนที่เขาเปิดบ่อนเปิดบาร์อย่าไปอยู่พัทยาใต้ดูสิแล้วโตวขึ้นอาชีพจะเป็นอะไรอาชีพก็เปิดบ่อนเปิดบาร์ตามขาเขาแหละถ้าไปอยู่วันก็ ก็บวดกันได้บวชกันได้เป็นพระกันได้ปฏิบัติการปฏิบัตินี้ก็เพื่อมาหยุดหยุดความคิดหยุดความอยากความต้องการต่างๆเพราะว่าใจของเรานี้มันไม่ต้องการอะไรสิ่งที่ใจต้องการก็คือความไม่ต้องการ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 พอไม่ได้กินก็ทุกขลองหยุดดูสิถ้าเป็นนี้กินเมื่อเดียวหลังจากนั้นก็ไม่กินอะไรดูเอาแต่ดื่มแต่น้ำเปล่าเอาวันละมื้อพอไม่ตายหรอกสบายจะตายไหมร่างกายก็จะแข็งแรง น้ำหนักก็จะไม่เกินเนี่ยกินมันละมือด้วยเนี่ยะมืออยู่แต่ว่มีอาหาินทั้งสองด้วยเองหวังว่าพี่กินมื้อเดียวเดี๋ยวมันจะ ห, ห, ห, หิวหิวมันหิวที่ใจมันไม่หิวที่ร่างกายเรากินมื้อเดียวเพื่อเราจะมาหยุดความหิวทางใจกันกินมื้อก็เพื่อให้ร่างกายร่างกายเขาต้องการมื้อเดียวเขาอยู่ได้ละที่กินกันหลายมือ้อหลายครั้งนี่ก็มัน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 เนี่ยเรามาฝึกนั่งเฉยๆดืม่มกินมื้อเดียวแล้วก็ลองนั่งเก้าอี้สักหกชั่วโมงดืม่มดื่มน้ําเปล่าสู้กับความอยากดูอยากจะลุกไปทํานูน่ทนทํานี่ไปดูนั่นดูนี่ไปฟังนูน่นฟังนี่ถ้าอยู่เฉยๆได้สบายจะอยู่ได้หกชั่วโมงนี้ก็ต้อง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 ลองทมดูสิหกชั่วโมงนั่งเฉยๆนั่งสบายไม่ต้องบังคับน่างกายให้เจ็บปวดอะไรนั่งสบายถ้ามันเมื่อยก็ขยับซ้ายขยับขวาหรือ ล, ลุกขึ้นมายืนก็ได้แต่อย่าไปทำอะไรนั่อยู่เฉยๆสักหกชั่วโมงอยู่ตรงเก้าอี้นั่นอนะ่ะไม่ต้องไปไหน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 ทุกวาเนี้เราถูกการอยู่เฉยๆไม่ได้ของใจเนี่ดันเราผักดันเราต้องมีนั่นต้องมีนี่ถึงจะมีความสุขแล้วมีมาต้องเยอะแยะแล้วเป็นไงกินมาตั้งกี่กิโลแล้วกินกินมากี่ตันแล้วเนี่ยของกินต่างๆที่ไม่จําเป็นจะต้องกินเนี่ยกินกันเป็นตันใช่ไหมลอง ลองลองลองเก็บสถิติไว้แต่วันนี้กินของที่ไม่จำเป็นกี่กี่ตันนะดื่มน้ำดื่มเครื่องดื่มไปกี่กิโลละบวกเข้าไปนี่มันเป็นตันนะของที่ไม่ไม่ไมมมจำเป็นที่จะต้องกินต้องดื่มเลยของที่จำเป็นจะต้องกินก็กินมื้อเดียวก็พอหนเดียวเอามันอยากจะกินอะไรเอาหนเดียวครั้งเดียวเลย โอกาสให้มันครั้งหนึ่งขนมนมเนยอะไรต่าง ๆ, ๆกินมันหนเดียวเครื่องเดิมอะไรเอาให้เต็มที่เลยหลังจากนั้นก็ไม่เอาอะไรแล้วนอกจากน้ําเปล่าน้ําเปล่ากับลมลมหายใจร่างกายอยู่ได้นะร่างกายได้อาหารเต็มเพียบแล้วหนนเดียว แล้วลองนั่งเฉยๆหรือหาเก้าอี้สบายๆกจะจ็ อ, จอย่าไปจะอยู่ในบ้านก็ได้เนี่ยให้อยู่บ้านอยู่ข้างในบ้านนั่งเฉยๆหาเก้าอี้สบาย ๆ, ายๆทักตัวหนึง่งคิดว่าเรากําลังนั่งเครื่องบินไปเมือง น, นอกก็แล้วกันหกชั่วโมงเวลาอยู่ในเครื่องบินทําไมนั่งกันได้ใช่ไหม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 ความสุขที่เกิดจากการชนะความอยากหยุดความอยากได้แล้วใจจะเบาใจจะสบายเหมือนยกของหนักออกจากอกนะเวลาเกิดความอยากนี่เหมือนเหมือนกับบีอะไรหนัก อ, อกหนักใจพอหยุดมันได้เนี่ยพอมันหยุดเนี่ยมันเบาเลย แต่ไม่เหมือนกับการรีดน้องเวลารีดน้องมันก็ต้องเจ็บหน่อยแต่พอรีดน้องออกมาแล้วก็สบายเวลาที่มันอยากแล้วเราไม่ทําตามความอยากนี่โอ้โหมันเครียดไปหมดมันแต่พอมันหมดฤทธิ์หมดแรงนี่มันหายไปเบาอกเบาใจขึ้นมาเลยลองนั่งหกชั่วโมงดูจะต้องเจอฤทิ์ของความอยาก แล้วถ้าถ้าถ้าสู้มันได้เดี๋ยวจะเห็นเวลามันมันหมดกำลังของมันเองไม่ต้องทำอะไรมันอยากสุดๆแล้วเดี๋ยวมันก็หมดกำลังไปเองถ้าเราไม่ไปทาอะไรให้มันไม่ตอบสนองมันเดี๋ยวมันก็หมดกำลังไปเพราะหมดกำลังนี่เหมือนทุกอย่างนี้ล่งไปหมดเลยในใจที่รู้สึกอึดอัดตึงเครียดเนี่ยเห็นไหเวลานั่งสมานี้ พอจะคิดว่าจะนั่งนะตึงเครียดขึ้นมาแล่วเนี่ยเดี๋ยวถ้าบอกว่าตามไปนี้นั่งสมาธิกันหน่อยเนี่ยตึงเครียดขึ้นมาะนี้วแต่ถ้าพอมันพอมันหยุดหายความอยากวักเนี่ยมันจะหายตึงหายเครียดเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจ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 เวลาอยู่บ้านนี่เหมือนถูกขังไว้ในกรงอันนี้ถ้าเราไม่ทำก็เราก็จะไม่มีวันที่จ ะ, ะทำได้ถ้าเราทำเราก็จะทำได้ต้องหัดทำนะต้องเริ่ม ลองต้องเริ่มทํำดูอะอะลองถามตัวเองว่านั่งเฉยๆบนเก้าอี้สบายๆหกชั่วโมงนี้นั่งไม่ได้เหลยมันยากตรงไหนนั่งนะสุดแคชั่วโงเดียวเองแล้วค่ะไม่ต้องเป็นหกเท่าเลยชั่วโมงแต่เดี๋ยวจะลองดูนะครับคงไม่ไม่จายอ่ะไม่จายใครเก้าอี้ไมุ่อม้องทำเลยนั่งเฉยๆอยงตอนนี้นั่งอย่างนี้ยสบายนั่งไปได้หกชั่วโมง นั่งอย่างเดียก็จะไม่สบายเพราะมันขัดสมาธิมันมา น, นั่งพักเทียบเดี๋ยวมันอมันเมื่อยแข้งเมื่อยขาได้ก็หาเก้าอี้นวมไปซื้อเก้าอี้โซฟานิ่มๆสบายสบายเกิน <c oughs> อ่นอ า, าเก้าอี้ที่มีมะที่มีพนักที่เพิงแล้วก็ห้อยเท้านั่งเก้าอี้แบบที่เราใชในห้องโรงเรียนอะไรอย่างนี้ก็ได้ ก็นั่งดูสักนี่นั่งเฉยๆไม่ต้องทําอะไรเี่ถ้าหิวน้ําก็เอาน้ําไวปกากล์ตัวถ้ากดนะถ้าปวดทีก็กระโถนก็ได้วางไว้อหรือไม่ก็เดินเข้าห้องน้ําก็ได้แต่เข้าแล้วต้องกลับมานะอย่าทะเลทลายแวะไปที่อื่นขอเข้าห้องน้ําเสร็จก็กลับมานั่งที่เดิมถ้านั่งนานๆมันเมื่อยก็ยืน ลุกขึ้นมายืนก็ได้ยืนยืดเส้นยืดสายแต่ไม่ต้องแกวงแกวงแกวงมือแกวงเท้าทำโยกขับยาคอะไรให้อยู่เฉยๆให้ยืนหรือนั่งพอยืนเมื่อย ก, ก็กลับมานั่งต่อสู้กับความอยาก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 เราก็ดูลงไปดูลงไปหรือถ้าเราไม่อยากดูดูไม่เป็นยังล ม, มะละเอียดยังดูไม่เป็นก็พุโทโธไปก่อนถ้าพุโทโธมันสั้นไปก็เอาสวดมนต์ไปก่อนเออสวดอาหังซ้ำมาแต่สวดในใจดีกว่านะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องใช้ใช้กําลังมากสวดไปภายในใจแล้วมันจะสงบมากกว่าการสวดออกเสียงเอ ใจก็จะสงบลงเดี๋ยวขึ้นอิติปิโสสวสดไปสวากาโตสุปฏิปนโนสัพเพสัตตาอเวลาหนตุออยังโขเมกาโยกายของเรานี่แหละเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่มตั้งแต่ศีรษะลงไป มีหนังหุ่มหอ่อมีหนังหุ้มหอเป็นที่สุดรอบมีอาการดังต่อไปนี้เกษาคือผมดูมาคือขนนักขาคือเล็บดันตาคือฟันสวดอย่างนี้ไปก็ได้สวนไปก็มันก็เพลินมันก็เริมเรื่องที่อยากจะลุกไปทำนู่นทำนี่ถ้าสวดด้าเหนื่อยอยากจะสวดหยุดสวยก็ดูลมต่อ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 แล้วก็อยู่ต่อดูลมต่อไประวังอย่าหลับเท่า น, นั้นนะนะถ้าหลับก็ลุกขึ้นมายืนถ้าง่วงก็ลุกขึ้นมายืน <c oughs> ยังไม่ให้เดินเอาแค่สองสองสองท่านี้ให้อยู่กับที่ ถ้าไม่หยู่ได้ยิ่งดีถ้านั่งไปได้ได้เท่าไหร่ได้อย่างดียิงย่งนานเท่าไหร่ได้ยิ่งดีให้มันไม่ต้องทําอะไรลองทําดูสิแล้วต่อไปเราจะอยู่อยู่เฉยๆจะไม่ห ง, งุดหงิดไม่มีเงินไปเที่ยวก็ไม่หงุเหงิดไม่มีเงินเที่ยวก็นั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยนั่งอยู่เก้าอี้เนี่ยห้าหกชั่วโมงไปมันก็เหมือนได้ไปเที่ยวละ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 ซื้อมาสำเร็จรูปได้ยิ่งสบายไม่ต้องมีครัวไม่ต้องมีอะไรซื้อกับข้าวมาของสามถุงก็อยู่ได้แล้วค่าใช้จ่ายก็จะน้อยวันละไม่กี่ตังค้าววันละมื้่น้ำเปล่าน้ำก็ไปกดตู้ก็ได้ลิ้นละ เล่นระบาดหนึ่งกินมาละสองลิตรก็สองบาทก่าน้ำํำกินก็กลายเป็นฉี่มันจะไปซื้อมาขวดละยี่สิบาทห้าสิ บ, บาทมันก็เป็นฉี่เหมือนกันตายแล้วก็ตายเหมือนกันกินแล้วกินน้ําขวดละห้าสิบก็ตายกินน้ำเล่นระบาดก็ตายเหมือนกัน ถึงเวลามันตายมันตายเหมือนกัน mm hmm. อาจจะตายช้าตายเร็วหน่อยนั่นเองขอให้น้ำมันสะอาดก็แล้วกันไม่ต้องมีล่งมีแรกอะไรแล้วม mm hmm. ีก็ดีไม่มีก็ช่างมันเอี mm ่ย hmm. แล้วเราจะได้ไม่ต้องทำงานให้เหนื่อยกัน mm hmm. ทำงานถ้าเป็นแทบตายพอได้เงินมาก็แป๊บเดียวหมดเลยนะไปเข้าร้านไปเข้าศูนย์การค้านี่แป๊บเดียวหายไปถูกเคาะต้นโดยไม่รู้สิบตัวเนี่ยลองเข้าเซเว่นดูลยลองเข้าโลตัสดูออกมามาเงินหายไปเป็นพันเนะียแล้วของที่ได้มันก็เป็นขยะทั้งนั้นนะ <c oughs> ซื้อมาแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรกองไว้ในบ้าน <c oughs> เอาเข้าตู้ซื้อเสื้อผ้ามาแล้ว็โยนเข้าตู้หมดใส่หนอนสองหนอนก็ไม่ใส่มันลนะเนี่ยเราก็ต้องไปเหนื่อยกับการทํางานไปเครียดกับการทํางานเวลาตกงานก็เครียดอีกเอยเวลาหางานก็เครียดเอกเวลาได้งานทําก็เครียดอีกไม่อยากจะทําอีก ทำไมตอนเช้านี่เวลาจะลุกขึ้นไปทำงานแต่ละวันรู้สึกไงไม่อยากจะไปเลยก็เราสร้างตัวปัญหาต่างๆขึ้นมาเองถ้าเราไม่ใช้เงินแล้วมันจะต้องไปหาเงินยังไงใช้เงินมันก็ต้องหาเงินอย่างดีก็อยากไปใช้มันถ้าใช้ก็ใช้เท่าที่จำเป็นมันก็ไม่ต้องหามากทำงานอิสระก็ไดายขายประกัน หลายวันลัตเจ้าสองเจ้าก็อยู่ได้นะ่ะเป็นเดือนนะ่ะเนี่ยวิธีที่อยู่ยังมีความสุขต้องลดความความต้องการต่างๆมักน้อยสันโดษเนี่ยพระเจ้าสอนนี่แหละทามันวิเศษ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 ทำงานเดือนเดียวแล้วก็เอกสิเดเดือนก็อยู่เฉยๆนั่งเฉยๆสู้กับความอยากไปเรื่อยๆต่อไปความอยากมันก็จะหมดต้องลดความต้องการลงแล้วก็ฝืนมันอย่าไปทำตามความต้องการ เอาสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นคําว่ามากน้อยก็หมายถึงเอาสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่ต้องมีขาดไม่ได้เช่นลมหายใจนี่ขาดไม่ได้น้ํำดื่มนี่ขาดไม่ได้อาหารนี่วันละมื้อนี่ขาดไม่ได้อันนี้เสื้อผ้าสองสามชุดก็พอละ แล้วจะไม่มีอะไรมากดดันให้เราต้องไปหาเงินมาให้วุ่นวายใจมีมีคำถามเข้ามาหรือยังมีครับาอาจารย์อะ วันนี้มันสบายสบายไม่รู้จะพูดอะไรวันเฉยเฉยวันอยู่เฉยเฉยยินดีนับได้ไหมเจ้าคะ6ชั่วโมงก็ได้เป็นการแต่สู้สู้อยู่แบบไม่ต้องมีอะไรฟังไม่ต้องมีอะไรดูฟังได้วันจะกระเพื่อเออ <c oughs> วันยังเพลินอยู่ถ้าเกิดไม่ได้ฟังมันก็จะหงดเย็ดขึ้นมาฉันอยู่บ้านเราติดตามสดอย่างเงี้ยพอเกิดเด็ดเสียหรือไฟดับเลยอ่าให้งดเงย็นได้สิทาไงไม่มีอะไร ก็เอาอย่างอื่นแทนสวดมนต์ไปแทนพุโทโธไปแทนดูลมไปแทนเอาของที่มีอยู่ในตัวเราดีกว่าอ่ า, อ, อ, ย า, อ, าอย่าไปพึ่งของข้างนอกเนี่ยท่านว่าให้พึ่งตนเองอัตตาหิอตันโนนาโถให้ตนให้พึ่งในสิ่งที่มีอยู่ในตัวเร า, เาคำถามเดียวก่อนก็ได้คนจะถวายของอขึ้นมาเลยอยากจะถวายข้าวของอะไรก็เข้ามาเลย เราวางไว้เลยก็ได้ของหนักนี่าวางไว้เลย เ, เ, เดี๋ยวให้พร้อมก่อนนะร่างกันกี่คนพอดีคุณแม่ผมเสียชีวิตอ อ, อก็เป็นเรื่องธรรมดานะ<ม>เกิดแล้วก็ต้องตายอระเจ้าเจ้าบอกว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมด า, าร่วงพ้นความตายไปไม่ได้อระจายไหม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 เหมือนลูกๆที่มาเกิดเนี่ยใช่ไหมมันก็ตายมาถ้ามันไม่ตายมามันจะมาเกิดได้ไหคุณอยากจะได้รถใหม่รถก็ต้องขายรถเก่าก่อนใช่ไห<ม>อรถเก่าพังก็ต้องซื้อรถใหม่ร่างกายเก่าตายไปก็ต้องเกิดใหม่เพราะเรายังต้องใช้ร่างกายกันอยู่ไม่ใช่ไหมก็เหมือนมีอะไรหน้าตื่นเต้นตกใจน่าจะดีใจแทนแม่แทนซ้ำไป แม่เขาจะได้รได้จะได้ร่างกายอันใหม่ถ้าแม่เขาทำบุญเขาก็จะได้ร่างกายดีกว่าเก่าถ้าเขาไม่ทำบุญก็ได้เท่าเก่าถ้าทำบาปก็ได้เลยกว่าเก่าผมมีว่ทีไหนที่จะช่วยให้หมอม้าผมให้ได้<ก>บุญกุศลก็นี่แหละทำบุญทาทานไปแล้วก็เทศบุญไปจะรู้ได้ไงว่าได้รับ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 <19. S 1> เป็นยังไงไปแบบผูกพับหรือว่าไปแบบว่าไม่สบายก็เฉียบเป็นตับอักเสบเฉียบพันรุนแรงครับเออไม่คิดว่าจะตายใช่ไหมอยู่สิบสี่วันเองครักออนี่แหละก็คอยเทศทีให้ฟังอยู่เรื่อยาความตายมันไม่แน่นอนเร็วม า, อออากอพระเจ้าท่งบอกอย่าประมาทเราต้องเร็วกว่ามันเราต้องรีบทําบุญก่อนมันที่ที่มันจะตาย เวลามันตายมันเราจะได้ไม่เราจะได้ไม่ต้องรอให้คนส่งบุญไปให้เราไงเข้าใจไหมอ่าเราต้องเอาเอาตัวอย่างแม่นี้มาสอนเราแล้วนะสอนว่าเราอาจจะเร็วกว่านั่นก็ได้แม่สิบสี่วันเราอาจจะเจ็ดวันก็ได้เอห็นเราอย่าประมาทพระเจ้ า, าจบอกให้ยงยังประโยชน์ให้ถึงพราะด้วยความไม่ประมาทเถิดให้รีบทําบุญเสียให้นั่งสมาธิให้ ทำบุญทำทานให้รักษาศีลปฏิบัติธรรมอันนี้บุญทั้งนั้นเอาไปกับเราได้หมดเลยอย่าไปเสียเวลากับการหาสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆใช่ไหมแม่เอาไปได้ไหมไหสมบัติกับแม่อ่ะนั่นแหละอมมากเพราะรักมากใช่ยังต้องนะพยายามเอาเอ า, เ, อ า, เ, อาเรื่องของแม่นี้มาเป็น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 เอาเงินบาทไปบางทีเขาไม่เอาบางประเทศก็ไม่รู้จักเงินบาทเอาบัตรเครดิตไปใบเดียวทาบุญก็เหมือนกับเอาบัตรเครดิตไปตอนทาบุญก็เอาเงินเข้าธนาคารธนาคารก็ออกบัตรเครดิตให้พอเราไปต่างประเทศเราก็ใช้บัตรไม่ได้เลยกดได้เลยซื้อข้าวซื้อของจ่ายค่าโรงแรมค่าที่พักค่าอาหารอะไรต่าง ในเวลาร่างกายตายไปแล้วใจก็ไม่สามารถเอาเงินทองที่มีอยู่ในโลกนี้ไปได้แต่เอาบัตรเครดิตไปได้บุทเนี่ยมันเป็นเหมือนบัตรเครดิตเข้าใจไหมไปแล้วอยากจะไปพักโรงแรมก็ใช้บัตรเครดิตนี่ถ้าไม่มีบัตรเครดิตนั่นก็ต้องเป็นขอทานไปที่เราอุทิศนี่คือพวกที่ไม่มีบัตรเครดิตติดตัวไป เพราะว่าไม่ได้เอาเงินฝากไว้ในธนาคารไม่ได้ทําบุญกันพอไปเลยไม่มีบัตรเครดิตที่จเอาไปใช้ ก, ก็ลําบากก็อยู่แบบขอทานเงนินมันแารที่จะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ต้องมาอขอทานนั่งข้างถนนอย่างเงี้ยขอทานไปไงขอทานกับคนมีเงินนี่ต่างกันนะ คนมีเงินอยากจะไปเที่ยวไหนๆก็ไปไดนะ้ขอทานก็ต้องนั่งอยู่แถวข้างถนนนั่งรอให้คนใส่เสดเงินให้บาทสองบาทเนี่ยคนที่ไม่ได้ทำบุญเวลาตายไปเขาเรียกว่าขอทานคนที่ทำบุญไปเขาเรียกว่าเทวด า, อ, าอย่างเอายาประมาทุกคนต้องรีบทำบุญกัน เอามาถวายของ เ, อ เ, อ เ, อเดี๋ยวจะให้พรก็อุทิศบุญไปในใจนี่แหละนะบุญที่เกิดจากการที่เราได้มาทำบุญนี่เราก็แบ่งไปเพื่อเขารอรับอยู่เขาก็จะได้ไม่ลำบากเหมือนกับให้ขอให้เงินกับขอทานนะ อย่างน้อยก็พอจะมีอะไรกินบ้างมีอะไรดีกว่าไม่มีเลยแล้วบรมม้าจะได้เต็มร้อยไหมครับ อ, อ๋อเงินที่ส่งไปก็ได้เต็มร้อยแต่มันไม่ได้มันไม่ได้เต็มร้อยจากของบุญที่เราทําเนี่ยเราส่งไปหมดไม่ได้ส่งไปส่วนที่ส่วน่งมันส่งของไปทางไปเสนีห์ของใหญ่ๆเขาก็ไม่ให้ส่งไปเขาก็ให้ส่งแต่ของที่เขาบรรจุ ในภาชนะได้ของเขาก็ได้บางส่วนแต่ไม่ได้ไม่ได้เต็มร้อยขอ ง, ของที่เราทำถ้าอยากจะได้เต็มร้อยต้องทำตอนที่ก่อนตายอถ้าถ้าเราทำตอนนี้น้อยเต็มร้อยนี้เป็นของเราหมดเราเอาไปได้หมดเลยแต่ถ้าเราร้อยก็ส่งไปนี่เขาส่งไปได้แค่ร้อยละหนึ่งนท่านั้นนั่นแหละเงินให้ขอทานไงแต่ก็ดีก็ไม่มีเลย ก็ส่งได้เท่านั้นนะจะทำยังไงได้นะอ่นะตั้งจิตตั้งใจนะยะทาวาเวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคลังเอวเมวะอโตทินางเปตานางังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปปเมวะสมิจโต สัพเพปเรนตุสังกาปาจันโทปนาระโสยทามนีจุเตะระโสยทาสัพพิติโยูวิวัจจันโุสัพพารุโคลวินัสตุมาเตปวัตวันตารายยสุขีทีขายุโกภวา อาพิวาธนสีลิศสนิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวทานติอายุวันโนสุขังภาลังก็ทำไปเรื่อยๆเหมือนกับใส่บาตพระเนี่ยเงินอุดทิศให้กับคนที่ล่วงลบก็เหมือนกับ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 ศีลศีลก็ไม่บริสุทธิ์นี่มันจะส่งบุญที่ราชการทรําศีลไปได้ยังไงภาวานาจิตก็ไม่เคยรวมนี้มันจะไปส่งบุญไปได้ยังไงไม่มีจะส่งเข้าใจป่ะแต่ถ้าเรารักษาศีลห้าบริสุทธิ์ได้ก็ส่งไปได้เศีน้าเราบริสุทธิ์ไหมนะพอได้แล้วไปยังไงพอได้ไม่ผิดครับไม่ผิด <c oughs> แน่ใจเลยพยายามอยู่ oh. <Yeah. S 1> ถ้ามันยังไม่บริสุทธิ์มันก็ยังส่งไปไม่ได้เอาเอาทำทานดีกว่าชั่วๆกว่าทำบุญสละเงินทองไปนี่ได้ละได้บุญที่เกิดจากการเสียสละสรัพหน่ได้บุญละคนจะย่าวยังสอนให้ทำบุญด้วยการอุทิศบุญสำหรับคารวาเนี่ย ถ้าสำหรับพระภิกษุนี่ได้ส่งไปได้พระที่มีสมาธิจิตรวมแล้วนี่ส่งบุญไปได้แต่พระที่ไม่ได้บางทีท่านก็ยังทำบุญกันเลยแน่นอนกว่าครูบาอาจารย์บางรูปบางทีท่านก็ยังทำบุญเอาทิศให้กับพ่อให้แม่อย่าง แต่ไม่ได้ไหมายครับว่าท่านอาจจะไม่มีบุญทางสมาธินะแต่ท่านอาจจะให้อยากอยากให้ลูกให้พี่น้องร่วมกันได้ทําบุญด้วยอถ้าเราทําบุญทางสมาธินี่เราทําคนเดียวคนอื่นเขาก็ไม่ได้ร่วมบุญกับเรานี่เรามาทำนี้ทุกคนนี่ก็ได้ร่วมบุญกัน <c oughs> แล้วคนทําก็ได้บุญด้วยตายไปก็ไม่ต้องมารอรับวนบุญ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 บุญที่ง่ายที่สุดก็คือเนี่ยบุญที่เกิดจากการทําทานคักกระเป๋าออกมาร้อยสองร้อยเนนบริจาคไปก็ได้บุญละวันนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธนี่ไม่รู้จะสงบหรือไม่สงบก็ไม่รู้อ อันนี้มีพี่น้องรู้ปะนี่เป็นลูกเหรอ<น>รอันนี้อันนี้ปป้าหรืพ่อครับอ่าพ่ออา่าปา้ายุเท่าไหร่เจ็ดสิบเก้าครัเสิบเกแม่หกสิบเจ็ดหกสิบเก้าหกสิบเก้าอือปป้าใหญ่อาจารย์เพ่งเทศสอนพอดีปป้ายังมีความเชื่อ้วยว่าตายแล้วศูนย์นะอ่าถ้าเราเห็นแต่ร่างกายเราก็จะคิดว่ามันตายแล้วศูนย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 คนที่กำลังสั่งให้ร่างกายพูดนี้ไม่ใช่ร่างกายรู้เปล่าเป็นเหมือนงกายเป็นเหมือนหุ่นอะ่ะเ็เห็นเขาเล่นหุน่นคนที่หุ่นกับกับคนเชิดมันสองคนเข้าใจไห <cube. S 1> คนเชิดไม่ได้ตายไปกับหุน่นเข้าใจป่าเวลาหุ่นตายเวลาร่างกายตายไ ป, ไปคนเชิดมันไม่ได้ตายไปกับหุน่นคนเชิดนี่ไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตาไม่มีเป็น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 ถ้าไม่ทำบุญทำบาปน่ไปก็ไปแบบขอทานถ้าทำบุญไม่ทำบาปก็ไปเป็นเทวดาไปแบบเทวดาเหมือนเวลาเราออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศนี่ที่เปรียบเทียบให้ฟังอันนี้ถ้าลรงมองไม่เห็นก็มีทางเลือกอยู่สองทางคือเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อคนที่เห็นหรือไม่เชื่อก็ไม่มีใครว่าอะไรไม่เชื่อก็ไม่มีใครว่าอะไร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 ถ้าเป็นความจริงอถ้าไม่เป็นความจริงแล้วก็ไม่ขาดทุนตรงไหนเพราะการทําบุญการไม่ทําบาปก็ทําให้ชีวิตเรามีความสุขอย่แล้วไม่ใช่เวลาเราทําบุญแล้วเราสบายใจไหมเวลาเราไม่ทําบาปแล้วเราสบายใจไหมนับพลิกกลับกันถ้าเราไม่ทําบุญแล้วเราทําบาปเราสบายใจหรือเปล่าอย่างน้อยเราก็ได้กําไรแล้วเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าตายแล้วสูนอย่างน้อย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 นี่คือพวกที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพวกที่เชคิดว่าตายแล้วสูญนีก็ไปอาบายกันพวกที่เชื่อพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วไม่สูญก็ทํำบาปทําบุญไม่ทําบาปไปก็ได้ไปเป็นเทวดาก็มีเท่า น, นี้แหละมันอยู่ที่เชื่อหรือไม่เชื่อทนั้นเองแล้วก็ไม่มีใครมาบังคับให้เราเชื่อหรือไม่เชื่อ ของนี้มันเหมือนคนตาบอดเนี่ยบอกว่าคุณลองหลับตาดูเสร็จแล้วบอกว่าแถวตรงนี้มีไอ้นู่นมี้นี่คุณจะรู้ว่าเปล่ามีจริงหรือเปล่าไม่มีวันรู้ได้ไนะ้ย mm hmm. ก็ต้องอยู่ที่ว่าคนที่ตามีตาก็บอกคุณจะเชื่อเขาไม่เชื่อเอยคนที่เขามีตาก็าจะมาหลอกคุณตาบอดทำไมได้หลังจากการหลอกคุณตาบอดพระพุทธเจ้า hmm. ท mm ่านมีตา ท่านหาอะไรได้ด้วยตัวของท่านเองท่านไม่ต้องมาหลอกคนตาบอดเพื่อเอาสิ่งจากเอาของจากคนตาบอดหรอกเห็น ไ, ไหมพ้เจ้าท่านไม่มาสั่งสอนพวกเราเพื่อมาหลอกเอาเงินเอาทองจากพวกเราหรอกอพ้เจ้าท่านมีเงินทองเยอะกับพวกเราเอีกท่านยังทิ้งหมดเลยเงินทองเห็น ไ, ไหมเวลาที่ท่านออกบวชท่านเอาเงินไปสักบาทหนึ่งก็พอ่า แล้วพอท่านบรรลุแล้วท่านมาสอนพวกเราท่านมาเลื่องร้องเอาเงินทองอากพวกเราหรื mm hmm. อเปที่ท่านให้ทําบุญก็ไม่ให้ทํากับท่าน mm hmm. ท่านไม่ต้องการอะไรจากเราเลยแล้วท่านมาเสียเวลามาสอนเราทําไมถ้ามันไม่เป็นความจริง mm hmm. ต้องคิดดูให้เขานั่งคิดดูเอาเองถ้าไม่คิดมันก็มันก็จะไม่เห็น mm hmm.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 แ, แสงอาทิตย์นี้ใช้ไปตรงไหนยังมีเงาอยู่ mm hmm. ปัญญานี่มันอัศมหศัศจรรย์กว่าแสงสว่างของปัญญานี่มาศจจรยิย่งกว่าแสงสว่างของดวงอาทิตย์ mm hmm. สามารถเห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันได้ดัง mm hmm. นั้นก็ทางศาสนาจึงสอนให้เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเชื่อแล้วมัน มันได้ดิบได้ดีกันถ้าไม่เชื่อก็ไปนระกไปอาบายกันก็แล้วแต่อาจารย์จะเลือกเอาเพราะถ้าไม่เชื่อก็เรื่องอะไรไปทําบุญให้เสียเวลาใช่ไหมเอาเงินไปกินเหล้าไม่ดีกว่านะเอาเงินไปเที่ยวไปเล่นไพ่ไม่ดีกว่าสนุกนะแต่ถ้าทําบุญก็ไปเที่ยวไม่ได้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 มันแชไม่มีจริงพอเห็นว่ามีจริงแล้วต่อไปก็จะเชื่อเหมือนคนสมัยก่อนนี่เขาเห็นว่าโลกนี้กลมก็แบนแบนะแล้วมันจริงหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็มีคนมาบอกมันไม่มันไม่มันไม่แบนใช่ไหมอตอนเดียดนี้สมัยนี้มีใครคิดว่าโลกแบ น, นไหม เดิตนตอนต้นต้องเชื่อก่อนวิธีที่เขาพิสูจน์ว่าโลกแบนหรือโลกกลมก็เขาบอกให้ดูเรือที่วิ่งเข้ามาจากในทะเลเวลาเรือเข้ามาในโผล่เข้ามานี่ส่วนไหนเราเห็นส่วนไหนก่อนนะแล้วก็ลงเห็นทงก่อนใช่ไหมเราไม่ได้เห็นทั้งลําเลยใช่ไห ม, ไมพร้อมกันเพราะอะไรเพราะพื้นที่มันมานี่มันไม่ราบใช่ไหม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 อันนี้ก็ต้องฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมศึกษาไปเรื่อยๆนะถึงจะถึงจะเข้าใจแล้วถึงจะเชื่อได้ถ้าไม่ฟังธรรมเลยก็มันก็ความไม่เชื่อมันก็มีมอยู่ในใจนะเพราะมันเห็นแค่นี้มันเห็นว่าตายแล้วสูญนะเห็นว่าตายแล้วร่างกายก็ก็ไปวัดไปเผาในชะ่ไหมเหลือแต่เศษกระดูกเห็นแต่เหลือแต่ขี้เถ้า แล้วใครไปเป็นคนรับผลบุญผลบาปอ่ะบาปที่เขไม่มีครับดันั้นทีก็มองไม่เห็นคนที่คนที่มีมันเรามองไม่เห็นไงเนี่ยเราก็ต้องไปเชื่อคนที่เขาเห็นไงคนที่เห็นก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดจะรู้แปลว่าไงแปลว่ารู้ในรู้ว่าตายแล้วไม่สูญไง ถึงมาสอนพวกเราว่าตายแล้วไปเกิดใหม่ไปเวียนว่ายตายเกิดใหม่ทำให้ฟังเทศฟังถามก็ไม่เชื่อยอไม่เชื่อก็ไปเล้าไปไม่เชื่อก็อย่าไปทากกําบาปก็แล้วกันทาบุญก็ลกแล้วกันอัจจัยอะรนะอ่อไป ไว้เพิ่มีได้อยู่ปนรถครับแปลมาสิฮะนี่เวลาก็แปเอาม า, มม า, า, มาน้องงานหนังสืออะไรก็เอาไปได้อ ความตายมันมาได้ทุกเวลานาทีทุกอายุมีคนตา ย, ยทุกทุกวินาทีในในโลกเนี้ยตอนนี้ก็มีคนตายป่ะเนี่ยตายแบบรู้ตัวก็มีตายแบบไม่รู้ตัวก็มีพวกที่อยู่โรงพยาบาลที้เขารู้ตัวเขาต้องตายกันแต่พวกที่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลตอนนี้อาจจะถูกป้นถูกจี้ถูกยิงถูกฆ่ากันที่ไหนก็ได้ ในโลกเนี้ยขณะนี้มีคนตายอยู่ทุกเวลาเห็นอย่าคิดว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ไปตลอดได้คิดว่าตายไปแล้วเรายังไปต่อเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเรามพระเจ้าตรัสจะรู้มาสอนเราว่าร่างกายไม่ใช่เราอ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 เป็นอะเป็นน้องสาวเอป็นพี่สาวอ่าเป็นพี่สาวเคยมาครั้งอเป็นพี่สาวของคนตายแล้วเป็นพี่สาวของเป็นเป็นลูกสาวอ่าเป็นเป็นหลานเป็นหลานก็ขอให้เทวทัตเจ้านะเรายังมีโอกาสเรายังไม่ตายเรายังทําบุญได้เราเรา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 ไม่ทำไม่ทำบาปทำบุญแล้วก็ตัดความโลภความโกรธความหลงตัดความอยากต่างๆเราก็จะไปเกิดที่ดีแล้วก็ไปหลุดพ้นไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิ ด, ดกต่อไปนี่คือผลที่เราจะได้รับถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เชื่อเราไม่ทตาตามที่พระเจ้าสอนเราก็จะกลับมาเกิดสูงๆต่ำๆดีบ้างไม่ดีบ้าง แล้วแต่วันไหนทําบุญก็วันนั้นก็ดีไปวันไหนทําบาปก็ช่วยไปก็มีท่านนี้แหละนะมีอะไรอีกไหมไม่มีก็ทตามสบายนะมันจะอยู่ก็ได้จะไปก็ได้เพเดี๋ยวเราจะต้องถามตอบปัญหารอฟัง คนที่เขาจะไม่รอทุกคนจะทำไงให้ก็นั่งเฉยๆเด้เกาจะนั่งได้เด้อดีครับที่ไดพบเพียงบอกป้าผมไม่เคยฟังมาก่อนครับก็ให้ป้าผมได้มีโอกาสได้ฟังทำได้ฟังตอบก็อยากจะฟังว่าเปล่าต่างกันเลยเขามามาด้วยกันั้องอยากเดี๋ยวไปบังคับเขาอ๋อไม่นะครับเพาะนๆเขาจะได้อาอยันก็ลองฟังดูอ่ะ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 ขอกลับเรียนครับอาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตสําหรับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าทอแท้ในชีวิตด้วยค่ะก็ให้ใช้สติปลุกดับความซึมเศร้าเอให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่าให้ไปคิดอะไรเพราะความคิดนี่แหละที่ทําให้ซึมเศร้าพอคิดไปในทางความอยากแล้วพอไม่ได้ดังใจอยากก็ซึมเศร้าคนซึมเศร้านี่มักจะ ผิดหวังสูญเสียสิ่งที่มีอยู่เล้ะไม่ได้สิ่งที่อยากได้มันก็เลยซึมเศร้าถ้าหยุดความอยากความคิดได้ความซึมเศร้าก็จะหายไปคำ ถ, ถามจากคุณเคเครื่องรางที่เป็นพระเครื่องต่างๆมีทุธคุณจริงหรือเปล่าคะ ไม่หรอกพระพุทธคุณอยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ไม่ปฏิบัตินี่เครื่องรางของคขั ง, งต่างๆนี่มันเป็นวัตถุวัตถุก็เป็นเหมือนก้อนหินนี่ดีๆนี่ก้อนหินมันไม่มีพุทธคุณธรรมคุณสังขคุณดังนั้นสิ่งที่ทำด้วยวัตถุต่างๆนี้ไม่มีอะไรในในตัวของมันเอง คำถามจากคุณอลิสตาเรื่องการใส่บาตรด้วยปัจจัยเป็นเงินไม่ทราบว่าคนใส่บาตรจะบาปไหมคะและพระที่รับบาตรจะผิดพระธรรมวินัยไหมคะไม่บาปหรอกคนทำบุญก็ได้บุญเพียงแต่ว่ามันทำไม่ถูกกฎระเบียบของพระเท่านั้นเองพระรับก็ไม่ได้บาปอะไรถ้าไม่ได้มีเจตนาจะรับแทนเขาใส่ปุ๊บมาเลย พอเปิดฟ้าบาทปั๊บเขาก็ใส่เข้าไปเลยสิ่งที่พระทําได้ก็คือสละไปเท่านั้นเองอย่าเก็บเอาไว้ไม่ให้เก็บเอาไว้ก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาที่มาช่วยถ่ายบาทไปคนใส่บาทก็คนใส่เงินก็ได้บุญลูกศิษย์ก็ได้เงินพระก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่เสียห้องถามฝากถามจากคุณสีประทุม ดูกายเพื่อให้เห็นจิตเห็นได้อย่างไรคะพี่ฉั้นไม่เข้าใจคะ่ะ อ, อ๋ออันนี้มันเป็นเรื่องที่ยังไม่ควรจะไปสนใจนะคือไม่ต้องไปสนใจขอให้ตอนนี้เรามีสติก่อนก็แล้วกันฝะึกสติให้มีสติแล้วพอมีสติแล้วมันก็จะใจก็จะสงบ พอใจสงบ ก, ก็จะเห็นตัวจิตตัวใจขึ้นมา ừ. การที่ดูกายก็คือเป็นการสร้างสตินี่เองถ้าเราดูกายดูการเคลื่อนไหวของร่างกายว่ายว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้ก็ให้อยู่กับการเฝ้าดูร่างกายนี้อย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ให้อยู่กับเรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องของการกระทำของร่างกายอันนี้เรียกว่าดูกาย เป็นการเจริญสติเมื่อเรามีสติแล้วเวลาเรามานั่งดูลมหายใจจิตสงบตรงความคิดหายไปก็จะเหลือแต่ตัวรู้ตัวจิตขึ้นมานี่การเคยการดูกายเพื่อให้เห็นจิตก็ดูเพื่อให้นั่งสมาธิให้มีสติเพื่อให้นั่งสมาธินั่งแล้วใจสงบสงบแล้วก็จะเห็นตัวรู้ผู้รู้สักแต่ว่ารู้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 แต่ทําไม่ได้นิ่งขึ้นแต่ยังมีคิดบ้างวิจารณบ้างมีอุบายจะพัฒนาวิธีการทําสมาธิอย่างไรต่อไปครับอ๋อก็ต้องอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปอยู่ถึงอยู่ไปอย่าไปดูอย่าไปอยู่กับผลที่ได้มาแล้วในอดีตนอย่าไปอยากให้ได้เกิดผลขึ้นมาตอนที่นั่งนี้ให้อยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้ คำถามจากคุณโดไลมอนครอบครัวรูกเป็นคอรอบครัวจีนรุ่นพ่อแม่จะไหว้เจ้าด้วยผลไม้แล้วก็มีกระดาษเงินกระดาษทองแต่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วลูกจะเลิกไหว้กระดาษเงินกระดาษทองเหลือแต่ผลไม้ได้ไหมเจ้าคะการไหว้กระดื่กระดาษเงินกระดาษทองเพื่ออะไรเจ้าคะก็ตามความเชื่อขอ ง, ของเขางี้ว่ากระดาษเงินเป็ น, งนเงินไงกระดาษทองก็เป็นทอง ว่าการไหว้แล้วเผากระดาษเงินกระดาษทองเป็นการส่งเงินทองไปให้กับผู้ลงรับไปแล้ววิธีที่จะส่งเงินทองให้กับผู้ลงรับไปแล้วก็คือวิธีทําบุญนี่แหละเอาผลไม้ที่เราจะไหว้แม่เนี่ยไปใส่บาตรแทนฮะแล้วก็จะเป็นบุญขึ้นมาเป็นเงินทองขึ้นมาในใจแล้วเราก็ส่งเงินทองในใจนี้ไปให้กับพ่อแม่ได้เลิกไหว้ได้แล้วถ้าจะไหว้ก็เพียงแต่ดอกไม้ทูบเทียนก็พอ ถ้จะไหว้นี่กายใช้ให้เรื่องใช้ของสักการะเช่นดอกไม้ทูบเทียนถ้าจะส่งบุญส่งเงินส่งทองไปก็เอาเงินเอาเข้าวของที่เราจะมาไหว้นี้เอาไปใส่บาตรแทนได่แล้วเราก็สามารถที่จะแปลงข้าวของนี่กายเป็นเงินทองส่งไปกับคนที่ร่วงรับได้คํถาถามจากคุณลาเวงข้อที่หนึ่ง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 อายุไม่กี่ขวบก็เข้ามาหารายได้ก็มีเพิ่งอ่านข่าวเมื่อไม่กี่วันนี้นเด็กอายุสิบสามขวบรู้สึกจบปริญญาตรีแล้วะหรือเข้าเข้าเข้าเรียนปริญญาตรีก็ไม่รู้งั้นคนละแต่ละคนก็มีความสามารถที่จะศึกษาปฏิบัติทำคำสอนของพทธเจ้าได้ไม่เท่ากันเราก็ต้องเราก็ต้องสอบทดสอบตัวเราเองดูขั้นแรกก็คือทาทานได้หรือเปล่า เรามีเงินทองเราสละไปให้คนอื่นได้หรือเปล่าหรือเราหวงเนี่ยถ้าเรายังหวงอยู่ก็แสดงว่าเรายัางทําทานไม่ได้ก็ต้องทําให้ได้ต้องสละเงินที่ไม่ใช่ที่เราไม่จําเป็นจะต้องเอามาใช้กับของที่จําเป็นเงินที่จะเอาไปเที่ยวไปเล่นนี่แหละเป็นเงินที่เราจะต้องเอามาสละให้ได้ถ้าเราสละได้ก็แสดงว่าเราผ่านขั้นทานได้ฮะ แล้วก็มาดูที่ขั้นศีลว่าเรารักษาศีลห้าได้หรือเปล่าถ้ายังรักษาไม่ได้ก็ต้องพยายามรักษาให้ได้ถ้ารักษาศีลห้าได้แล้วก็ดูว่ารักษาศีลแปดได้หรือเปล่าก็ต้องขยับขึ้นไป <c oughs> รักษาศีลแปดได้แล้วก็ดูซิว่านั่งสมาธิได้หร <c oughs> <ๆ>ือเปล่านั่งสมาธิได้แล้วก็ดูว่าตอนนี้ใช้ปัญญาเป็นหรือยังรู้ว่าอะไรคือปัญญาหรือเปล่า หรือว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าอริยสัจ ส, สีทุกสมุทัยนิโรธมากนี้เป็นอะไรเอามาใช้ประโยชน์อย่างไรของพวกนี้มันก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนถ้าทำขั้นไหนได้ก็ทำไปเลยถ้าตอนนี้รักษาสีแปดได้ก็รักษาไปเลยถ้าตอนนี้นั่งสมาธิได้ก็นั่งไปเลย ถ่ายังนั่งสมาธิไม่ได้รักษาศีลแตดไม่ได้ก็ต้องกลับมาที่ศีห้าก่อนถ้าศีลห้ายังรักษาไม่ได้ก็ลงมาที่ทําทางก่อนทําได้หรืเปล่ามันมันมีขั้นมีตอนของมันข้อที่สองวิธีที่จะทําให้การศึกษาพระสัจธรรมเกิดความเจริญยิ่งขึ้นไปเช่นเรื่องกฎใจลักษ์เหมือนเรารู้เข้าใจแต่ไม่ได้เป็นอัตโนมัติอยู่ทุกๆขณะจิต ทำอย่างไรจรึงจะชัดแจ้งและเป็นอัตโนมัติได้คะก็ต้องคิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าสอนให้คิดถึงความตายความตายก็คืออนิจจงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายเป็นอนิจจงให้คิดทุกถึงลมหายใจเข้าออกว่าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายให้คิดอย่งนี้ไปทั้งวัน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 มีปวกขึ้นบ้านไม่อยากฆ่าเพราะกลัวบาปแต่บ้านต้องพังปังใจอย่างไรเจ้าคะก็แล้วแต่เอาจะเลือกเอาจะเอาบาปหรือจะเอาบ้านเี่ยถ้าจะเอาบ้านก็ต้องบาปถ้าไม่เอาไม่เอาบาปก็ต้องไม่เอาบ้านคำ ถ, ถามจากคุณปูเป้ถ้าเราทํางานร่วมกับคนที่เชื่อแชร์ ตัวเราคอยกระตุ้นเขาแล้วเขาไม่รับค่ะงานของเขาส่งผลโดยรวมกับเพื่อนร่วมงานรอบข้างตัวเราเองอควรทำอย่างไรดีคะก็เชิญเข้าไปที่อื่นได้ม่อยู่ร่วมกันแล้วไม่จเจริญอยู่กันไปทำไมคำถามจากคุณวิชัยเวลานั่งสมาธิแล้วถึงแม้จะยังรู้พุโทโธแต่สมองก็คิดนู่นคิดนี่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 คำถามจากคุณธัญญาพระพุทธที่บ้านควรที่จะถวายอาหารหรือไม่เจ้าคะไม่ต้องแร้วถวายแต่ดอกไม้ทูบเทียนก็พอเพราะท่านกินไม่ได้เราจะทลูกกินข้าวได้ให้ไหนคำถามจากคุณสุพรการที่เราไม่สะดวกไปทอดกระถินวัดพ่อแม่ครูบาจารย์แต่ฝากเงินเขาไปจะได้บุญเต็มน้อยหรือเปล่าเจ้าคะ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 บุญที่ได้จากการทําทานนี่มันอิ่มเอิบใจสุขใจกว่าคําถามจากคุณรุจิลาอยากรู้ว่าคนที่เขาออกจากาศาสนาพุทธไปเข้าศาสนาคิดเขาจะลําบากตอนตายไหมคะไม่หรอกว่ า, าศาสนาคิดก็สอนให้คนทําบุญสอนให้คนไม่ทําบาปเหมือนกันเขาก็ได้ไปสวรรค์ถ้าเขาทาตามที่าศาสน า, สาศาสนาคิดสอน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 บางศาสนาก็สอนไปถึงพระนิพพานเราก็ต้องเลือกดูเหมือนกับเราเราขึ้นรถโดยสารเราก็ต้องดูว่ารถเบอร์นี้วิ่งไปถึงไหนแล้วเราก็ไปตีตัว๋วแล้วก็้น้นถูกคันคงถามจากคุณมงคลมีคนมาซื้อของแล้วมาขอให้เขียนบินเกินราคาที่ซื้อเพอาไม่ได้ค่าน้ำมันรถในการเดินทางผู้ขายควรทำอย่างไรครับ ก็แล้วแต่และจะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้มั้งถ้าเขียนก็เป็นการโกหกหลอกลวงใช่ไหมเพราะไม่เป็นความจริงเอเขาซื้อยี่สิบแต่เขียนว่าเขาซื้อสามสิบอย่างเงี้ยก็เป็นมีการส่วนมีมีส่วนร่วมในการทําบาปเพราะว่าไม่ได้เขียนตามความเป็นจริงอ ถ้าไม่อยากจะทาบาปก็ ca. ต้องเขยนตามความเป็นจริงแล้วใช่ไหมเดีอการอามาการการที mm? ่เราเจริญมรณาลุสติอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกทุกลมหายใจเขาออกมันถือเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งไหมครับเออเป็นการเจริญสติไงเขาเรียกมรณาลุสติเป็นการภาวนา เหมือนกับพโธพุโทพโธเนี่ยเอเหมือนกันแต่ดีกว่าพูดโธเพราะมันมีมันได้ปัญญาด้วยมันได้เห็นอนิจจังด้วยพูดโธนี่ไม่เห็นอนิจจังแต่ความตายนี่คืออนิจจังเห็นมาเกิดมาแล้วต้องตายพอรู้ว่าต้องตายเราจะได้ไม่ประมาทเราจะได้ปลงปลวางร่างกายเพราะถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้เวลามันตายเราจะไม่ทุกข์ ถ้าเราไม่ปล่อยมันเดวดวาตายเราจะทุกข์มากเพราะเราจะไม่อยากให้มันตายอ่านั่นแหละคนที่ไม่คิดว่าต้องตายมันจะกลัวตายแต่คนที่คิดแค่ว่าจะร่องตายมันจะไม่กลัวตายมันยอมตา ย, ยาการจเจริญมรณสติมรณานุสติก็เพื่อให้ยอมตายเมื่อยอมตายแล้วมันก็จะไม่กลัวเนีย่ยมันมีประโยชน์กับพุโทโธ พุโทโธก็ทำแต่ตาใจให้สงบเท่านั้นแต่พอเจอความตายก็กลัวแต่ถ้ามีมรณนานสติก็จะไม่กลัว ก, ก็ภาวนาสองอย่างเว้นสมถกะกับวิปัสสนาเมมนี่ยสมถะก็พุโทโธ้ะมรณานุสติก็วิปัสสนาทำควบคู่ไปได้ไหมครับ ได้ก็ทำไปแล้วแต่เราจะเอาอันไหนก็ได้คนบางคนใจอ่อนพอคิดถึงความตายก็กลัว<ม>ทำอะไรไม่ได้แล้ว<ม>ก็ต้องใช้พุโทโธไปก่อน<ม>ใช้พุโทโธทำให้ใจแข็งก่อนพอใจแข็งแล้วทีนีค้ค่อยมาใช้มรณนานสตออิอีกขั้นหนึ่งบางคนใจแข็งแล้วก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้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 นี่ข้าวใหม่ไหมคาถามจากคุณนกยุงทองการที่เราดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงและและรักษาจิตใจให้เบิกบานจิตไม่เศร้าหมองแต่ขาดการนั่งสมาธิถือว่าเป็นบุญไหมครับก็เป็นถ้าจิตใจเบิกบานไม่เศร้าหมองก็เรียกว่ามิเป็นบุญเพียงแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้นานเท่าไรท่านเองเวลาไปเจอโรคมะเร็ง้็เวลาเจ อ, เ อ, อ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 เราเป็นภระรยาอย่างยังผ่องใสไม่เศร้าองอ่ะก็ที่สมมาของอาจากย์ที่สอนก็เป็นร่างกายหมามเป็นคนใช้อะครับเอแต่ว่ากรงิตของม้าไม่ได้ตายเป็นคนใช้ของม้าร่างกายที่เอาไปลอยอังคารที่สันนินเป็นคนใช้อาจารย์เคยเสียสอนว่าจำกมงก์ได้ ได้ไม่เดือดรอนไม่เสียใจไม่เสียใ จ, ใจอบหมามาผมไม่ได้ตาย อ, อ่นั่นแหละถู ก, กต้องนะคนเราใช้ อ, อ่าหมามาตายก็รู้เลยหมามาไม่ได้ตายจายกเรออาเลยงอย่างนี้แสดงว่าเข้าใจนะ อ, อ่ขั้นต่อไปก็ดูคนใช้ของเราร่างกายของเราครับ อ, อ่เวลามันจะตายเราลองเห็นว่ามันเป็นคนรับใช้เราหรือเปล่าอ่ร่างกายคนอื่นน่าจะดูง่ายหน่อยแต่พอมาดูร่างกายของเรายังจะดูเห็นว่ามันเป็นคนรับใช้เราหรือเปล่า ถ้าเห็นเราก็จะไม่กลัวตายเราก็จะตายอย่างสบายตายอย่างผ่องใสตายอย่างเบิกบานอนะไอย่างเงี้ยนั่นแหละเรจะมีแล้วจะปล่อยวางร่างกายเราจะมีโอกาสให้เป็นถึงพระโสดาบันบุคคลครับก็เป็นนั่นแหละถ้าปล่อยได้ก็เป็นนั่นแหละพระโสดาบันก็ปล่อยร่างกายนี่เองเห็นร่างกายเป็นคนรับใช้ไม่ใช่เป็นตัวเรานะ ก, กายยะทิฏฐิได้ ใช่ไหมอันนี้ตอนนี้ก็ได้ทําข้อสอบไปข้อหนึ่งแนละ้วคือแม่เราต่อไปก็ตัวเราโดยจะทําได้ไหมถ้าทําได้ก็สบายไปคิดถึงแม่ที่เป็นกิเลส น, นะครับไม่หรอคิดได้แต่เพียงแต่อย่าไปเศร้าโศกเสียใจกับกับการจากไปของแม่ท่านเองถ้าอยากให้เขากลับมาอย่างนี้ก็จะเป็นกิเลสนะแล้วคิดถึงได้ได้คิดถึงได้ แต่ถ้าไม่คิดได้จะดีกว่ามันเป็นอดีตไปแล้วถ้าคิดถึงก็แสดงว่าใจลอยไปไม่ตั้งอยู่ในปัจจุบันอกมันไม่ใช่เป็ความกระตันยูกับไม่หรอกระตันยูไงก็ตายไปแล้วเม่ยกระตันยูต้องตอนที่อยู่สิให้คิดถึงตอนที่แม่อยูย่ตอนที่แม่อยู่ก็ไปคิดถึงเมียแทนงนี้ไม่ไปหาไม่ไปดูแลแม่เลยดูแลแต่เมียดูแลแต่ลูกอางนี้ ตอนที่แม่อยู่ก็ต้องคิดถึงแม่จะได้ไปดูแลแม่อตอนนี้แม่ไปแล้วจบแล้วไปคิดถึงเสียเวลาทําไมคิดแล้วไปทําอะไรได้นั่นถึงแล้วคิดไปทําไมคิดในสิ่งที่เราต้องทิศ ด, ดีกว่าคิดถึงความตายของเราดีกว่าพอาใจไหมจะไปเสียเวลากับอดีตที่ผ่านไปแล้ว ให้คิดในปัจจุบันคิดในกับเหตุการณ์ที่กำลังจะต้องเกิดขึ้นกับเราต่อไปต่อไปลูกเมียเราเราก็ต้องจากเข้าไปเราเตรียมตัวแล้วยังพร้อมแล้วยังตอนนี้ก็แยกกันอยู่ครับอา่าเพราะนั้นแ่ะต้องต้องจากกันอย่างเบิกบานอย่างผ่องใสอย่าจากกันแบบเศร้าหมอง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 ปฏิบัติเข้าสมาธิถึงระดับฌานครับบุญอะไรมากกว่ากั น, น อ, อ๋อมันต้องมีสติก่อนมันถึงจะเข้าฌานได้ถ้าไม่มีสติมันก็เข้าไม่ได้สติเป็นเหตุาการเป็นผลไงว่าการเจรลสติในปัจจุบันนะครับนั่นแหละก็ต้องมีสติก่อนมันถึงจะนั่งสมาธิได้ถ้าไม่มีสตินั่งมันก็ไม่สงบมันก็คิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อย ถึงต้องให้มันมีสติอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อมันจะได้ไม่คิดพอเวลาไม่คิดเวลานั่งมันก็จะรวมเป็นฌานเป็นสมาธิขึ้นมาออันนั่นแหละถึงจะเป็นบุญแล้วมันอันนี้ตัวติดขัดรับคือนั่งสมาธิเอารูปรูปล้ลมหายใจสั้นยาวรูปความอเนียใจเสร็จแล้วรผมจะแผ่วเบาไปจนจนไม่มีลมหายใจแล้วก็อยู่กับความว่างจริงๆไม่รวม ก็ดูไปก่อนเดี๋ยวมึงก็รวมเองส่งไปอย่างนั้นเลยอ่า<ช>ดูไปเรื่อยๆ อ, อย่าให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แล้วแว่างอให้อยู่กับความว่างไปนานๆเท่าที่นานได้ใช่ไหมอ่ามีอะไรเข้ามาอีกไหมดีเดี๋ยวให้เวลาสักปั๊บหนึ่งก่อน <c oughs> เดี๋ยวกายกำลังพิมพ์ยัง <c oughs> <c oughs> ยังมีเวลาอยู่ เป็นเวลาพักเดียวก็ได้พักยัได้ตอนนี้เหลือกี่ร้อยนะตอนนี้เหลือสามร้อยสมสิบ็สม้สามเจ็ดาประมาาม้อยกสิบเจ็สิบเราอย่างนี้คอทุกประมาณสามสิบสี่สิบสี่สิบคนเดี๋ยว น, นี้เข้าถึงก็สองแสนกว่านะั้นรู้สึกเป็น <c oughs> เป็นมาตรฐานนะเนี <c oughs> ก็ดีสองแสนกว่า น, นี้ก็เยอะนะอาทิตย์ละล้านกว่า <c oughs> อาทิตย์ละล้านสามล้านสี่คนที่เข้าถึง ในการถ่ายทอดสด น, นี้เยอะมากเลยครับอ่าเยอ ะ, อะเดี๋ยวนี้คนมาใส่บาตเยอะขึ้นเยอะเลยนะวันอาทิตย์นี้โหเดี๋ยวนี้รถต้องถอยเคยเคยเป็นจอดที่ทางแยกเดี๋ยวนี้จอดไม่ได้นะเข้าแถวยาวไปแลนะ้วเดี๋ย ว, ย, วยิย่งหน่อยถ้าคุยคุยไว้แล้วก็ว่าเดี๋ยวยิ่หน่อยถ้าเกิดว่า iPhone 7มาเนี่ย iPhone 6ตัวเนี้ยจะเอาไว้ประจําสําหรับการถ่ายทอดพิธบาร โดยพี่เดี๋ยวพี่เขาจะรับผิดชอบตรงนั้นถ้าวัานไหนพี่เขาถ้าผมมาก็ถ่ายคู่ถ้าวัานไหนผมไม่มาเขาก็ถ่ายเดียวแล้วแต่ว่าก็จะถ่ายวัานไหนครับแล้วก็เห็นว่าพี่ก็จะเข้าไปถ่ายในศาลาให้ด้วยแต่เดี๋ยวต้องรองสัญญาณก่าาอนก็ศาลาตรงนั้นเข้าไปเนี่ยอ่าดีแท็กไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เดี๋ยวต้องไปลองเออแล้วก็เสียงในกล้องผมก็เลยจะต้องถ้าเกิดจะเอาเสียงแสดงคำพูดเนี่ยอาจจะต้องต่อไลท์เอาจากแอมเพื่อมาเข้าตัวสับตรงอย่าง น, นั้นจะไม่กล้องอแต่ถ้าถ่ายดังๆไม่ได้ครับลองลองแล้วเสียงไม่ดี ฟังไปก็ไม่รู้เรื่องเเดี๋ยวก็เดี๋ยวเจ็ดมาว่าอะไรก็เดี๋ยวจะไปเตทตรงนั้นอีกชุดหนึ่งแล้วก็จะมีชุดถ่ายทําถืออีกชุดหนึ่งซิ้นไว้ที่พี่ก็เลยแล้วก็วันไหนพี่เขาอยากมาเขาใกล้อยู่นะครับเข้ามาเข้ามาได้เลยก็ตางใจใชแล้วแต่เรื่องของทีมงานเราไม่เกี่ยวทางเทคนเดียวพี่ไม่เอาไว้ไปติดตั้งไว้ไฟไวที่ศาลาเลยออกเป็นแบบเราเตอร์อ๋อไม่ครับที่ไม่มีที่วัดที่วัดไม่มี ยังไม่ได้พัฒนาไปถึงขั้นนั้นเดี๋ยวก็มีเองอ่ะถ้าจะถ้าจะใช้จริงๆเดี๋ยวก็มีคนมาสาดติดให้เองแกพูดไปแค่นี้ก็ยัมาต่อแค่นี้ก็พอแล้ะอ่ะมามีเข้ามายังอ่ะพามาคําถามจากคุณศิริวัลถ้ามีครอบครัวอยู่แล้วแต่ใจรู้สึกชอบอีกคนแต่พยายามยั้งใจด้วยสี่ห้าอยากทราบว่าสี่ท่องไหมครับก็ยังไม่ได้ไปร่วมหลับนอนกับเขายังไม่ขาดนะ นแต่คิดเป็นบาปทางใจยังไม่ถือว่าเป็นบาปทางแบบแท้จริงเป็นเพียงอกุศลทำให้จิตใจเรากินไม่ได้นอนไม่หลับอย่งนั้นหัดเจริญสุภาพมั่งก็ได้เวลาคิดถึงเขาอย่าไปคิดที่ส่วนที่สวยงามคิด ท, ที่ส่วนไม่สวยงามดูคำ ถ, ถามจากคุณเอกฤทธ์เวลาจิตรวมแล้วพิจา ร, รณาเกษาโนมาทันตา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 สมาธิสงบนี้อย่าไปพิจารณาให้สงบไปจนกว่าจิตจะถอนออกมาพอจิตถอนออกมาแล้วมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วค่อยมาพิจารณาทางปัญญาคำ ถ, ถามจากคุณวาสนาเวลานั่งสมาธิมักสัง่วงให้แก้ไขอย่างไรดีเจ้คะก็ลุกขึ้นมาเดินก่อนเดินให้หายง่วงก่อนแล้วค่อยกลับไปนั่งใหม่ถ้ายังง่วงอยู่ก็ต้องอาหาที่น่ากลัวไปนั่ง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 เมื่อกําลังสติและสมาธิยังไม่พอถ้าใช้มโนโหรือสัญญาในการสร้างภาพก่อนนั้นจะถูกต้องไหมคะและการสร้างกายด้วยการเอาลำไส้ออกมาพิจรารณานั้นต้องเย็บคื้นไหมคะโดยอ่านเจอในครูบาอาจารย์ท่านม้ากายค่ะอ๋อไม่ต้องหรอกมันอยู่ในใจเรา อ, อให้มันคาวออกมาอยู่เรื่อยๆก็ได้เห็นใครก็เห็นลำไส้ ติดออกมาข้าง น, นอกกันนะต่อไปอาจจะเป็นแฟชั่นใหม่กันฮะต่อไปจะไปเผาเอาลำไส้ออกมาโชว์กันเพราะไม่รู้จะโชว์อะไรแนละ้วเรนนี้คําถามจากคุณมินเราจะอโหสิ ก, กรรมต่อกันโดยการพิมพ์สื่อสารทางไลน์ได้ไหมคะเพราะไม่สะดวกที่จะมาพบเจอจะทําให้หมดเวรกรรมต่อกันได้ไหมคะก็อยู่ผู้ที่เขามีเวรกรรมกับเราว่าเขาได้รับคําขอโอโหสิหรือเปล่า สองเมื่อเขาได้รับแล้วเขาจะาโหสิหรือเปล่า hmm. ถ้าเขาเอาโหสิก็หมดเวรหมดกรรมกัน hmm. แต่ถ้าเราขอเอาโหสิ hmm. แบบง่ายๆ hmm. เขาบอกมันง่ายเกินไป <laughs> ถ้าอยากจะขอหสิต้องมากราบตีนเรา <laughs> ถ้ามันมากราบตีเราเราก็ไม่เอาโหสิร hmm. หรือบางคนนอกจากมากราบตีแล้วยังต้องเอาเงินมาให้ด้วย <laughs> ถึงจะหาย พอเราไปขโมยเงินเขาเนี in, 對對่ยขโมยเงินเขาแล้วก <mir prepar ers> well ็มาขอโหสิว่าขอโทษแต่ไม่คืนเงินอย่างนี้เขาจะโหสิให้เราได้ยังไงใช่ั้มถ้าเราอยากจะโหสิล้วก็ต้องเอาเงินที่เราขโมยของเขาไปคืนเขาแล้วก็เอาดอกเบี้ยให้เขาด้วยอย่างนี้เขาก็จะเอาโหสิให้ใช่ไอมไม่ใช่ว่าเอาเงินเขาไปแล้วแล้วเพียงแต่ส่งไลน์มาขอโทษเอาเงินไปแล้วกินหมดแล้ว ยิ่งทำให้เขาโกรธเราใหญ่อย่าไปขอโศกศีลแบบนั้นถ้าอยากจะขอศีลเราต้องคืนของที่เราเอาของเขามาเ<ม>อชดเชยความเสียหายที่เราไปสร้างให้กับเขาเราต้องชดเชยสองเท่าสามเท่านะครับเอาถึงจะเอาโศกศีลให้อคำถามจากคิดเองถ้าใจเราต้องมองทําอย่างไรใจจึงของใสครับจุดความคิดปรุงแต่งทําใจให้สงบ แล้วใจก็จะผ่องใสขึ้นมาคำ ถ, ถามจากคุณเป็กอารมณ์ที่ได้สมาธิเป็นแบบไหนครับก็เจ็ดสงบนิ่งสบายมีความสุขผอ่องใสสมบัตคำถามจากคุณสุขถ้าการปฏิบัติของเราทําทําหยุดหยุดมีอนิสงส์ของการปฏิบัติหรือไมค่คะผลก็จะไม่ต่อเนื่องผลก็หยุดหยุดขาดขา ด, ขาดไป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 ใช่นั่งให้บ้างๆนั่งให้บ่อยๆนั่งให้นานๆค่ะคำถามจากคุณออยการพิจารณาอสุภะนั้นยังเป็นสมถะเพื่อดับราคะเท่านั้นใช่ไหมครับไม่ผิดใช่ไหมคะถ้ายังมั่งกายไม่ได้แต่ใช้การพิจารณาใช้สัญญาสร้างมนุภาพเพื่อให้เบื่อหน่ายในการราคาคะ่ะก็อันเดียวกันแหละการมั่งกายก็คือการพิจารณาอสุภะด้วยสัญญานี่แหละนึกถึงส่วนที่ไม่สวยงามแยก อ่าพาพาอกออกมาควักลำไส้ตับตายไส้พุงออกมาดูอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการมาัางกายเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสสนาเราอาจจะทำให้ใจสงบแล้วก็จะทำให้เกิดปัญญาระงับตาคะต่างๆได้คำถามจากคุณเอก การใส่บาตรอุทิศกุศลให้สัตว์สัมภเวสีเปรตเขาจะได้รับหรือเปล่าครับถ้าไม่ได้เรียกชื่อขนาดกอดนะ้ําถ้าไม่ได้บอกก็เหมือนก็เข็นเช็คแล้วไม่ได้ไม่ได้ใส่ชื่อเขาเขาก็เอาไปเบิกไม่ได้ต้องต้องบอกชื่อถ้าเราอยากจะให้เขารับไปคํถาถามจากคุณวาสนาเราจะหยุดความคิดปรุงแต่งได้อย่างไรคะใช้พุโทโธพุโทโธไป ต้องคิดพุดโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่ององื่นคำถามจากคุณสุนิสาได้ปฏิบัติเนตัญชิตขณะปฏิบัติก็สู้กับเวทนาเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิตลอดเวลาสามทุ่งถึงตีสามแล้วกลับไปนั่งพักแต่หนูรู้สึกสมองตื่นไม่ง่วงเลยจนเวลาตีสี่ก็มาทาวัดเช้าต่อ นันเป็นสาเหตุจากการที่เราฝึกสติอยู่ใช่ไหมคะพอะรู้สึกมันตื่นและเบิกบานค่ะใช่แล้วทำไปเรื่อยๆนะถ้าทำางนี้ได้ทาไปบ่อยๆอย่าทำแค่หนดเดียวแล้วเก็บเป็นอนุสอนนะต้องทำไปจนกระทั่งมันเป็นนิสัยของเรามันจะพาให้เราประก้าหน้าต่อไปคาถามจากคุณมงคลในขณะที่เขียนบินเกินราคา ก็มีแต่เพียงเจตนาที่ว่าให้คนนั้นได้รับความยุติธรรมใจสบายขึ้นไม่ทราบว่าเป็ น, นกลไกในการวิจนารณาหรือไม่ครับมันเป็นการแก้ตัวของกิเลสนะฮะมันก็บาปอยู่ดีว่าโกโหกหมดแล้วเลยเวลากใกล้พอสมควรนะนะมีใครอยากจะถามอะไรไหมอ่าถ้าไม่มีก็ขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้